ท่านมุตรบุรีจักรไหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อในความจริงเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่เห็นจะต้องพูดกันนานถ้าที่พูดวันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องเมื่อความจริงถ้าจะเหมือนกับดูงพระศก เก็เรียกว่ายิงเด็ยิงดีหรือว่ายิ่งฟังไปจะเห็นว่าปัญญาของมโหสดนี่เป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งใหญ่จริงๆในวันก่อนมาเริ่มเรื่องในนิดหนึ่งถึงว่าเจ้าจุลนีพมทธที่ต้องการจะแผ่อำนาจแล้วก็ตอนนั้นที่มโหสดกำลังมีวาสนาบารมีใหญ่ ได้เป็นที่ศึกษาของพระเจ้าวิเทหาราชโรมกษัตริย์ถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกกันว่าองค์นตรีคอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพรานก่อนนี้เริ่มต้นมาหน่อยเดียวยังมีความอยู่ว่าหลังจากที่มโหสถไี่ส่งทูตไปประจำประเทศต่างๆแล้วยังปรากฏว่ามี ยังมีพระราชาพระองค์หนึง่งทรงท่านนามว่าพระเจ้าสังขาพล ก, กะทีวกกะววาาวืว่าสังขาพล ก, กะก็ไม่อ่านไม่ไหวเอาตามบาลีดีกว่าว่าสังขะพลกะเป็นกษัตริย์ในควายกำพลรัตวันหนึ่งพระเจ้าสังขาพลกระรับสั่งให้เตรียมการระดมคล เตรียมสตราวุธอย่างพร้อมพังตอนนี้ปรากฏว่าทูาตเขามโหสดที่ส่งเขาไปสอดแนมดูไอ้ความจริงทูตนี่ก็คือแนวที่ห้าคอยเส็งเกตว่าประเทศไหนบ้างที่เขาคิดร้ายเราจะคิดดีกับเราตอนหน้าแล้วก็มองดามองหน้ากันในฐานะความเป็นมิตร ตภายในโดนจิตก็คิดตัวเสมอว่าบคุคคลชนชาตินี้จะมีความปรารถนาข้างหน้าเป็นสัตว์กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีของดีของเลวอะไรเป็นกรณีพิเศษก็คอยสอดแนมดูแลอยู่เสมอไม่ ว, ว่าโทษทาหารของหอสุด ที่ไปอยู่ประจำยุ่นแรกออยู่ประจำแขวนกํรมลรักได้สรงขาววารา่าวมาโมโหสถทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขาระกะแห่งแขวกกงกรรมผลรักได้ั่งระดมพลเตรียมสัตว์ราวุฒิมากมายแต่ท้าว่ายังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลมันไม่ทราบผลว่าท่าน ว่าพระราชาพระองค์นี้จะไปรบกับใครที่ไหนแน่แต่ถ้าว่าอนาคตทวเทตนีต้ติดกับประเทศของเราฉะนั้นขอท่านในปโปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกสนรู้ไปสื่อความดูให้รู้หน้าเฉยเคารพนี่เป็นอันว่ามาหโหสถนี้ไม่ได้ใช้แต่คนอย่างเดียว ยังมีมีมกแก้วไว้เสียบรยการรับอีกด้วยวั น, นก่อนมัติดอยู่ตรงนี้ที่นี่ขอย้อนสักหน่อยหนึ่งนี่ต่อจากวันนั้นเป็นอันว่ามโหสถบันดิตได้รับข่าวจากทูตทหารดังนั้นแล้วจึงเรี ย, รยกนกแก้วแสนรู้มาสั่งว่าเจ้าจงไปเสียข่าวดูทีร้ว พระราชาสังฆบพรกะแห่งแคว้งกำพลรัฐไม่เตรียมระดมพลเตรียมสัตรอาวุธเพื่ออะไรเมื่อเสร็จแล้วจงตะเวนไปโทษชมโพทวีปไม่อยากจะทราบว่าเขาจ้างนกแก้วนี่วันเดือนละเท่าไหรนะ่แต่ว่าประเทศไทยร้จ้างคนไปนั่งยกมือในเดือนละเป็น เป็นพันนีืเป็นหมื่นนะมั้งที่จ้างคนไปยกมือนะที่ว่าจ้างคนไปนั่งขัดคอกันในงานที่จะก้าวไปได้เร็วๆนะทําให้มันช้าดึงหน้าดึงหลังดึงหลังดึงหน้าแล้วสงสัยว่านกแก้วที่มีความสามารถจริงว่าคนนี่เขาจ้างมโหสถจ้างเดินรถไฟก็ไม่ทราบเป็นอะไรว่าสัางว่าเจ้าจงไปเสืบทั้งหมด ชั่วมโชทวีปคือรายการมาให้เราสร้างม่สงสัยว่านกแก้วเอาสเสบียงอะไรไปนะบินเกง่งทัางสั่งแล้วจะได้ให้นกแก้วกินข้าวกินข้าวตอกทุกกับน้ำผึ้งดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำมันทีโหงร้อยขนพันขนน่ะแล้วมาทาที่ขนปีก แล้วก็ปล่อยเอาไปทางหนาาง้าตงมูตาโนูกหน้าไปทิศกราจีนสำหรับนกแก้วแสนรู้ตรงไปยังกมพนรัฐสืบรู้ความขึ้นไหวข้าวเจ้าสังขารระเรีย บ, บร้อยแล้วยิงได้เด ว, วินไปเสีบข่าวทั่วชั่วทั่วชมพูทวีปจนถึงอุตรปะปัญจารนคร ในกับปิรัตเนี่ยเขาว่าในกับปีรัตอุตรปัญจารยนครแต่ว่าอยู่ในไวังควายของกับปิรัตกับปิ่นกับกับบินกันไงกับบินรัตกันง่ายๆสำหรับพระเจ้าจุมโทพระเจ้าเจ้นี่พมทัตเป็นกษัตริย์เจ้าในอุตรปัญจารยนครทรงมีบริษทที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ถวายอัตธรรมแรัพระองค์คนหนึ่งชื่อว่าเกวัตรามไหมเจ้าเกวัตเนี่ยมันเกจริงๆนะโรงหลานที่รักเพื่อดูคนต่อไปเจ้าเสนกกัเจ้าเกวัตเนี่ยมันไอ้รีลาคล้ายเหกันไอเนี่มันเสนแท่งแกล้งเป็นนกเสนนกนะเจ้าเรียกเกวัตเนี่ยมันเกแล้วก็วัดด่ก ท่านกล่าวว่าเวลาย่ำรุ่งวันหนึ่งท่านประโหิตเจวัดตื่นขึ้นมองดูรอบบริเวณทั้งภายในและภายนอกบ้านของตนและเห็นเครื่องยศและสมบัติทันมโหลลานก็รู้สึกกราบเพิ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าจุลนีพรมธทัตทรงพระราชทานมาพระองค์ทรงมีอุปการะคนเป็นมหาศาลแก่เราคนที่เราจะคิดแก่การให้พระองค์ได้ทรงมีอิสริยยศยิ่งยิ่งขึ้นไปแมก็เป็นพระราชาแล้ว ความจริงเป็นพระราชาแล้วจะให้มันยิ่งกันไปนกว่านั้นจะเป็นอะไรกันแน่นา่ากลจะเป็นคนติดกัญชาแต่ความจริงเป็นคนติดกัญชานี่ดีใจดีโฮเรล่เลยไม่มีเรื่องแต่น่ากลัวจะไม่ใช่โลกหลังที่รักฟังกันต่อไปเขาบอกว่าต้องการให้พระองค์มียศใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงเป็นอัคราชาผู้ยิ่งใหญ่ ในสกลในชมพูทวีปอาคระนี่ก็ประฮุนเลิศเนะเป็นเระราชาปกครองชมพูทวีปทั้งหมดเพราะอย่างนั้นแถอะว่าเมืองกี่เมืองประเทศกี่ประเทศในชมพูทวีปนี่ปกครองมันหมดชมพูทวีปก็ว่ากันมาตั้งแต่อินเดียถึงประเทศไทยไปนอนถึงสิงคโปร์เนี่ยส่วนเราก็จะได้เป็นอาคระบรโอหิตก็โตเอ้ย คนแบบนี้ไปสอนอตรตถธรรมมันจะได้เรื่องอะไรไอ้ความละโมบโลภมากขอไอ้เท่าสาราพัดพิษเมืองนี้มาเจอกันแล้วอยากจะใหญ่อยากจะเด่นอยากจะให้ประราชาเป็นประธานาธิบดีปกครองชมพูทวีตัวเองก็จะได้เป็นอาคาัครพลโรยหิตรุ่เรืองปงกว่าใคร หรือว่าไง่ยๆอยากจะเป็นประธานาธิบดีเี่เองก็ยังจะคงได้ละมั้งนี่ไม่ต่างกับเจ้าเสนกเป็นอันว่าเขาคิดในใจว่าเราก็จะได้เป็นอาัคขาบริรหิตประจำพระราชาสำนักความดีความเด่นมันก็จะยิ่งไปกว่านี้คิดดังนั้นแล้วนายเกวัุโรหิตจึงลุกขึ้นจากที่นอน ชำระร่างกายแต่งตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าท่นไหมาแล้ววางแผนอย่างนี้ก็ได้กตว่าวางแผนวางแผนจะยึดบ้านใครดีไม่ดีถ้าไปยึดบ้านมโหสถก็ต้องถึวัดเอ๋ยทั้งเจยทั้งถูกวัดแน่เมื่อเวลาเข้าไปเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งว่าท่านโปริด ท่านมีธุระอะไรจไึงจะมาหาแต่เชาวท่านผูโลหิตผู้จอมโลกไม่มีความอิ่มไม่มีความเต็มคนอย่างนี้ไปสอนธรรมะมันก็โหยก็เป็นคนระยำไปสอนธรรมะคําว่าผูโลหิตนี่คนจะเรียกว่าคนที่เป็นหิตมากกว่าไม่คันไม่หาย บริยตุวีปังราชาทนนักการตัดถามที่ในกาพน์ทว่าขอเดชะถ้าเราก็ได้เจ้ามีเรื่องที่จะกราบทูลปึกษาเป็นความรับกับเจ้าข่ะแล้วก็ไม่ควรจะปรึกษานีที่ในเมืองด้วยควรจะเสด็จไปในพระราชอุทยานเถิดไปเจ้าข่ะเพราะมันเป็นความลับสุดยอดราชาทรงทําทำตามบริตุเพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนมีความรู้ตอเด็จไปยังพระราชิยานกับปรหิตสองคนเท่านั้นภายในแอภายนอกวานในหานรสาพระองค์ไว้ทรงประทับนั่งบนแผ่นศิลาคือแผ่นศิลาที่เขาเป็นแท่นสวยในพระาชฐานไม่มีแผ่นศิลาสุกปรกสหนับนกแก้วแสนรู้ บางเอินจริงๆไปถึงเมื่อนี้พอดีเห็นจิริยาของราชาโกโรหิตดูมีทีท่าชอบคนชอบคนไม่น่าไว้วางใจจิงคิดว่าอย่าต้องไปฟังความดูจึงบินแอบไปอยู่จึงบินไปแอบอยู่บนต้นรังใกลๆกับที่พระราชาโกโรหิตศุกษากันแต่ความจริงถ้าแกจะไม่แอบก็ได้ ถ้าแกเป็นสัตว์จิเลยนใครเขาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่แอบก็น่าจะมีอันตรายเหมือนกันลูกหลานที่รักดูนกแก้วก็ยังฉลาดก็นกนี่เป็นที่ปรารถนาของคนถ้าเขาไม่จับมาเลี้ยงเขาก็จับไปฆ่ากินฉะนั้นนกแก้วจึงต้องแอบมีความรอบคอบอย่างนี้ลูกหลานท่านที่รักทั้งหลายจงจําไว้ จำเอาเป็นเครื่องปรรดปัญญาถ้ามีโอกาสเขาปฏิบัติตามสำหรับพระราชายในติตายจ้บรหิตว่าท่านบรหิตท่านมีเรื่องอะไรก็โพดไปเถิดเราพร้อมที่จะฟังท่านบรอหิตจะในกราบทูลขอเดชะเรื่องนี้เป็นความรั บ, พบเพราเกี่ยวขาจะรู้กันได้เพียงสีโ่โห คำว่าสี่หัวนั่นก็คือสองคนคนมันสองหและัลูกหลานที่รักจะรู้ได้เป็นสี่หัวระหว่างข้าพระองค์ครับอระห ว, ว่าพระองค์กับขาบ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากพระองค์ทรทําตามคําที่ขาาา้าพระพุทธเจ้ากล่าบทนแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นอัครราชผาูลลล้เลิศล้ำไน่เสกรองชมโพธิ์ทวีจะแน่นอนไม่มาว่าคำแบบนี้นี่ พระาชาได <bid Get S 1> ้สดบพระนัยก <single> ็าสงสาวนักหนเขาก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ใหญ่ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วยิงแต่รู้ว่าท่านอาจารย์พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะทำตามคำของท่านทุกอย่างนี่ละลูกหลานที่รักคนที่ไม่รู้จักชีวิตของตน คนเราจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตายทํานั้นเป็นพระราชาก็กินข้าวมันเราแก่มันเราเจ็บมันเราปวตัวสารปัดสวะมันเราไม่ที่สุก็ตายมันเราปกครองบ้านหลังเล็กๆก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันปกครองบ้านหลังใหญ่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพระราชาปกครองประเทศก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน จะปกครองโลกก็ตายเหมือนกันเคยได้ยินข่าวประธานาธิบดีนายกตันทรีพระราชาตายบ้างไหมเขาตายให้ดูนับมิทนแล้วจะโลกโมโทสัน์ป็ทําไมเป็นอนุวาไปครบไอ้เท่าสาร พ, พัดพิกเขานมันจะสร้างคิดชั่วร้ายอยู่ดีๆไม่ชอบปีนน้ำจะแทงเขาต่อไปฟังเรื่องเขาต่อไปนะ ในการลบโมโตสันแบบนี้ลูกหลานที่ไักจงยาทําหากินในความสดชืษษษษษษษ่นกระดิบคิดให้มันชอบแล้ะบอกปกครองของเราดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงไม่ต้องแสวงหาความเป็นทาสใครก็อยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นที้ข้าใครที่ไหนก็เชิญเข้าไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านเราคำเมตไทแ่แปลอิสรภาพคำเมตธาสไม่มี สมัยก่อนโน้นเขามีท่ากันสมเด็จพระจุจลจอม迦อยู่หัวสอนเรื่องทาเประเทศไทยไร้จากความเป็นทาตมานานแต่เวลานี้ถ้าใครว่าชนลูกชนหลานให้เป็นทาตุจะอย่าเอาก่าเขานะถ้าก็ว่าชนแล้วก็บอกที่บอกเชิญไปเป็นทาตุแต่ท่านทัศเจข้าฉันไม่ต้องการเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าท่านพระโรฮิต ก, กกราบคุณว่า ถ้าแต่สมุทิเทพขอพระองค์ได้รับสั่งให้ระดมพลเนะตรียมกองทัพและก็ยกไปยกไปล้อมเมืองต่างๆยึดไว้ก่อนเ ม, มื่อยึดเมืองใดไว้ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งกับราชาเมือนั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยบ้าเอก็ยึดแล้วมันจะสู้รบยังไงกันล่ะ อย่างนี้มันเอาพูดไปล้อมเมืองใดไว้ใดแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งว่าขออย่าได้รบเลยนี่มันต้องล้อมเมืองไม่ใช่ยึดเมืองถ้ายึดเมืองมันก็ไม่มีการรบคนเขียนเขียนผิดไปแล้วถ้ารบก็จะต้องแพ้เพราะว่าได้ล้อมมาทุกด้านแล้วนี่ต้องล้อมไม่ใช่ยึดขอเพียงการยกราชสมบัติ แต่เราจนทรัพย์ินนั่นตามในเมืองนี้ให้แก่พวกขาว้าเจ้าทั้งหมดเฮ้ยไม่เอย่ยขอว่าโยตายก็จะยอมแหรเนี่ยส่วนพระราชาก็ยังคงพระราชาครองเมืองใดก็คงเป็นพระราชาครองเมืองอย่างนั้นหมายความพระราชาก็เป็นราชาแต่ว่าเมืองนี้ทรัพย์สินมีเท่าใดขอฉันให้หมดจ้า ราชาเลิกข้ามเมือาเปล่ามันจะดียังไงนี่ไอเถ้าสรรพัดพิษจากอะไรนี่มันคิดแบบนี้ไอคนสองเมืองนี่มันเหมือนกันจริงจริงเจ้าเสนกละราชาเน่าสามรวมเป็นสีกับเจ้าเกวัตนี่มันคิดเร็วๆเหมือนเหมือนกันถ้าราชาเลิกพระธรรมบาได้ที่ภาษารละยำและยำแบบนี้ไม่ว่าเมืองไหนสิ่ผานเมืองนั้นมันลายหมด เป็นนว่าเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นพระราชาปกครองเมืองใดงก็คงปกครองเมืองนั้นตามเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกเมื่อทุกเมืองยอมต่างเช่นนี้เราก็ได้สมบัติในสกนุลชุนโชติทั้งหมดอมนี่ก็เตรียมดื่มน้ําชายาบาลท่านดื่มน้ำํำเตรียมดื่มน้ําชายาบาลไม่ใช่น้ําสาบาน่ะ แล้วก็ยานำเอาพระราชาทั้งรอยเอกสนครท้่ร้อยหนึง่งทั้งหมดมาประชุมกันให้ดื่มน้ำสุ ร, ราที่เกียวว ร, ริยาเพชรในพราชัิยานเพื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นขระชนก็เอ า, าพระศพเหล่านั้นไปเกี่ยวเสียในคงคาเต็ม่น้ำ้ำอย่างนั้นทงก็จะเป็นอาคราชาในชมพลทอีก เรื่ายดังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลนี้พระพุทธเจ้าข่าโลกหลานที่รักที่เจ้าเกวัดเนี่ยมันโง่ใส่โง่มันคิดว่าคนเมืองอื่นเขาไม่มีมือไม่มีเท้าคิดว่าจะทําทได้ง่ายๆมันดูความโง่เขมันต่อไปันดความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เลวทามโลกหลานที่รักเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่าทําตามเขา ถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจงเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นศัตรูรัพสิ่งของเขาจงอย่าคิดเอามาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมที่เขาไม่เห็นชอบการมีศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขมาคุยกันต่อไปแล้วก็ราชาท่านมีความโลภอยู่แล้วที่รรัฐบาลท่านบอกว่าโลกล่องอยู่เป็นนิดเป็นท้ายก็ตัญหา มิโ น, นโปยังจะไม่ทิบบายจะประยุกต์ราชาทรงเห็นดีเห็นชอบตามความคิดของ็รอสิบประการนี่เป็นเ ว, ว่าพระราชาก็าเกิดเป็นเหตขึ้นมาแล้วขันอยากจะได้ที่นี้ทรงตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์รีบดาเนินการเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเรายจ่าการได้เลยฉันจะเป็นพระราช า, าให้มันบรเร่อเต็มชมั่วโพธ์ทวี นี่เขาเขาคิดว่าคนอืยไม่มีเมืองไมเท่านะเป็นอะไว่าจเจ้เกว๊ะวัดเิจฉาทนบาทความคิดนี้เชื่อว่าแหนเขาว่าอย่างนั้นนะความคิดอย่างนี้ข้ารู้ทีเจ้าเชื่อว่าอะไรคิดที่จะรู้ก็ได้คือเดี๋ยวเขาว่าอย่างไงเนาะ เกวะตุนิกาทนว่าความคิดนี้เชื่อว่าเป็นความคิดนะเพราะว่า อ, อย่างไรเป็นความคิดที่คิดรู้กันเพียงสี่โหเคือสองคนเท่านั้นจะไม่มีผู้ใดอื่นรู้รู้รู้รู้ได้เลยจะต้องรีบดำเนินการไว้โดยเพี ย, ยงไร ไว้เท่าไรคนยินดีแม้มั น, มนย่งจริงใครก็กินนังเสือนเะขียนให้มันรู้รองอ่ายๆก็ไม่ได้นะเป็นอนกาก็บอกอีกความคิดที่คิดภึกษากันเนี่ยขอพระองค์จงยาแ่งสายเป็เงขาดเราจะรู้เพียงเป็นสี่โหเท่านั้นและก็จะต้องเรียบดำเนินการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้ โดยไม่เมืองท่านหลายร้อยเอ็ดพนครนั้นสามารถจะรู้ลงนี่นจะรู้ลงหนานได้ถ้าขืนปล่อยให้รู้ลงหนานแล้วก็ไม่ช้าแกจะสู่นี่ไปเอากลัวสู้ไมกันเนี่ยีเดี๋ยวก็เจตขันเจตขมฮอสก็ได้ดีกันตอนนั้นแหละเป็นอันว่าพระราชากับข่าเกวัดเจ้าจอมเก เจ้าจอมเกเนี้ก็เรียกต้องคนเรีเจ้าเท่าสารพัดพิธีไรเหน่เหมือนกันปึกษากันอย่างนั้นลบกแก้วแสนรูเอียงหูฟังได้ยินตลอดหมดจึงบินลงมาจับ ก, กิ่งรังที่ห้อยตำ่ำแล้วก็ถ่ายอุจาระรดหัวเกวัดโปรจิตเท้าแรั่งขี้ดหัวไจิต พอเกว่าจงหนหน้าจขมไปพูดว่านี่มีอะไรากันนิววะอะไรหล่นลงหั ว, น, หวนะนกแก้วก็ทายอุจาระลงในปากพอดีมีความคิดมาดีเกินไปเลยริงขี้นกแก้วเข้าไปแล้วแล้วก็บินเะ้ไปจับบนต้นรงนงังไปขอส่งเสียงฟังในความว่า เกวัตเอ๋ยสมัยนั้นนกพูดภาษาคนได้ว่าอยอมากคนก็รู้ภาษานกนกรู้ภาษาคนโซ่เสียงเรามาบอกว่าเกวัตเอ๋ยท่านนึกว่าความคิดของท่านนะรู้กันแค่สี่หัแล้วมันไม่จริงใช่แล้วแหละบัดนี้ก็รู้กันถึงหกหแล้วเขาบอกเวลานี้ไม่ใช่แค่สี่หันะเกวัตนะ รู้ทั้งหกหูแล้วนะแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกไม่จากัดคือทั้งแปดหูสิบหูร้อยหูพันหูมือนหูแสนหูนับไปทวนนี่เป็นพอส่งเสียงจบเจ้านกแก้วแต่ก่อนจบก็เิ็นพอจากันงด้วยกำลังความเร็วของก็รมพัดอย่างนั้นเ กลับไปกรงเมืองวิชิลาเข้าไปหามโหัวผลผลิ์ที่เรือนตรงเข้าไปก่อที่บ่าเล่าเล่าในความที่ฟังที่วระเจ้าจุนนีธรรมทัชเกริวัดโปรดศิษยศึกษาคันในพระในพระราชกิจกานให้มโหัวตฟังเป็นทุกประการนี่ลูกหลานที่รักจะมาให้ดีนะขึ้นชื่อว่าความลับ จะต้องรู้แค่สองหูเท่านั้นถ้ารู้ถึงหูที่สี่คือรู้กันสองคนทุกอย่างไม่เป็นความลับเป็นรน้นวาโมโหสดผลิตไม่ได้ฟังความจากพวแก้วคิดดังนั้นแล้วก็คิดว่าอีตาเกวะอิี้ถ้าแกจะไม่รู้จักเราโมโหสดผลิต เราจะต้องบำรา บ, บราบความคิดที่เราคิดที่หมดไปเอาเราสีมายม่ละเจือเสียเขาแล้วบอกว่าไม่บอกไม่หลวปู่บอกแล้วนี่คนกับเสียมโมโหสดก็จะเป็นหมดทุกรายเนี่ยแล ะ, มะโมโหสดก็จะดำเนินการโดยไม่รอชักไม่ชักช้าเหมือนกันนําครอบครัวที่ยากจนในเมืองให้ออกไปอยู่นอกเมืองให้หมด นำครอบครัวที่มีสักสมบัติมียศใหญ่เข้ามาอยู่ภายในเมืองส ะ, สะสมผักปลาธัญญาหาันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เตรียมพร้อมในการรบสำหรับพระเจ้าจุนนีพมัทรับสั่งให้ดมผลเตรียมกองทัพมาเอาอยางเร็วเอาเต็มที่ว่าจะเปรียบอะไรจะใม่เครื่องขบวนทัพยกเป็นล้อมเมืองต่างๆ ตีได้เมืองแล้วก็สมทบ ก, กับเมืองนั้นตีเมืองนี้ได้เอากำลังเมืองนั้นสมทบ ก, กันเข้าไปเป็นทัพใหญ่ทำไมหน่อยยกล้อมเมืองอื่นแล้วตีเมืองนั้นได้อีกนะ่ะก็เอาทหารเมืองนั้นสมทบอีกโดยแบบนี้ยกไปตปมาตีจบไปเมืองไหนเมืองนั้นแพ้เพราะไม่เตรียมตัวรก กำลังก็มากขึ้นปีได้เมืองทั้งหมดผ่านไปยังเหลือเมืองเดียวคือเมืองมิถิลามหานครตอนนี้เองบรรดาโรกหลานที่รักไปเมืองมิถิลามหานครมันมีเมือเมืองเดียวจะสู้เขาได้หรือไม่ได้โรคหลานทั่งหลายต้นชัว่วใจคิดเว่ามาหาศดมีแต่ปัญญาแต่ว่ากําลังคนน้อย จะสามารถสู้คนเมือ ง, งเมืองอันบุคคลที่มีกําลังมากาคอืรอร้อยทนครร้อยเมืองทหารร้อยเมืองถ้าจะจัดเป็นกําลังกองทัพก็จะร้อยกองทัพและะ้วมโหสดก็มีเพียงกองทัพเดียวจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้หรือไม่ได้ตุลัเนี่ยหลายตั้งใจคิดให้ดีวันพรุ่งนี้หลวงปู่จะมาคุยฟัง สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลากร อ, อความสุขสวัสดที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจะมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและโลกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี